นะครับเด็กนี้ก็เคยเข้าวัดนะฮะพอโตขึ้นนี่ห่างจากวัดมานะครับลองสาวก็ชวนมาคือในใจเนี่ยผมพูดตรงๆว่าคือได้ฟังหลวงตาแล้วก็เข้าใจบางส่วนแต่จริงๆก็มีข้อสงสัยอยู่เยอะมากว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่มีอันนี้คือผมก็ยังไ ม, ไม่เข้าใจถ่องแท้นะจ๊ะ ลองฟังก่อนบ้างเลยฟังก่อนอ่านก่อนแล้วก็จะเข้าใจไปเลยได้เปล่า น, นจะมีพื้นอยู่เนี่ยนีพื้นอยู่ลองดูสงสัยอะไรอ่ะอรับมีพื้นอยู่มีพื้นอยู่ลองดูดิครับสงสัยอะไรครับที่ฝั่งลงตามาคือเหมือนกับเราเป็นคือเราจะไม่อยู่ในในในจุดที่เราปีตัวตนเหมือนเราเป็นผู้ที่สังเกตเห็นมันแล้วก็ดับไป อันนี้คือความเข้าใจของผมนะฮะแต่ก็คือเมื่อเรามองอย่างนั้นไปเรื่อยๆเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็คือแค่มองมันก็เกิดดับเกิดดับไปตลอดไปแล้วก็อันนั้นคือความเข้าใจผมคือว่ามันน่าจะถึงจุดจๆหนึ่งอ่ะมันก็จะไม่มีเหตุแล้วก็จะไม่มีผลเหตุจากผลมันก็คือมันก็จะบรลาจันในที่สุดก็คือจะไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนแต่ลักษณะ น, นั้นนี่คือความคิดของผมนะอาจารย์ เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปถึงจุดๆนั้นเน uh, ี่ยคือผมก็ยังยังจึงนึกไม่ออกว่าแนวทางของมันอะต้องไปทางไหนฮะอาจารย์ครท่านสังเกตรู้สึกสัมผัสได้ไหมว่าในใจของท่านมันมันมีสิ่งที่กระเพื่อมไวไวไวไววมีความรู้สึกนึกคิดตดตองอะไรไวไวไวไวมีความสงสัยมีความคิดตปดูต่อวงแต่งที่มัน ปงมาจากความไม่ม well, ีแล้วมีความคิดมีความไว้ไหวไว้ไหวมามาเกิดดับอยู <S 2> <S 2> <S ่ในใจอะมีครับรู้ไหมก็รู้ไหมว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันมันเกิดนะแต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่อ่ะไม่ต้องรู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่เห็นว่ามันมีอยู่แล้วกันมันมีบางอย่างที่มันไว้ไหวไว้ไหวไว้ไหวได้ครับที่มีการกระเพื่อมได้มีการไว้ไหวได้ก็เห็นมันอยู่แค่นั้นเห็นมันอยู่ตรงนี้น่ะครับเออเอ เห็นอย่างนีแ่แน่เห็นวมันมีอาการไหว้ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปดีไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปทํำอะไรเห็นแต่ตรงเนี้ยเห็นให้ตอนเริ่มในขั้สายเห็นแต่ไว้หวๆแต่ไม่ได้ไม่ได้เห็นไปเพื่ออะไรนะอย่าไปมีความคาดหมายต้องเพื่ออะไรครับคือเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็ปล่อยไปเห็นแล้วก็ปล่อยไปเห็นแล้วก็ปล่อยไปเห็นแล้วก็ปล่อยไปเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเข้าใจเองอย่าอย่าทิ้งความรู้ความเห็นเห็นว่า สิ่งใดเกิดสิ ara, ่งนั ara, ้นย่อมดับไปสิ ara, ่งใดเกิดสิ ları, ่งนั้นย่อมดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปอืมสิ่งใดเกิดสิ mm ่งใดไหวย่อมดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งใดไหวย่อมดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งใดไหวย่อมดับไปเห็นได้อย่างเงี้ยเห็นแต่ยังเงี้ยให้ต่อเนื่องใขาดสายเดี๋ยวเข้าใจเองอืมครับอืมเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องไปถามใครเลยมันจะเห็นได้ตาใจของเราเองเพราะว่าเราสังเกตได้นี่ในใจเราต่อให้เราเนี่ยเราอยู่ในห้องคนเดียวตาไม่ได้เห็นอะไรหูไม่ไปทําอะไรไม่ไป ไม่สัมผัสอะไรไม่ไปเล่นแชทเล่นไลน์ไม่ไปเล่นโทรศัพท์อะไรนะเราอยู่คนเดียวนเดียวแต่ในใจของเราก็มีการไหวๆตลอดเวลาเลยอืในใจของเราเนี่ยจุ๊กจิกจุ๊กจิจุกจุกกแต่เราอย่าหลงไปตามมันนะอย่าหลงไปตามมันแล้วอย่าไปดับมันอย่าพยายามไปดับมันแล้วอย่าหลงไปตามมันแค่รู้แค่รู้อย่าหลงไปตามมันอืออย่าหลงไปตามอาการจุ๊กจิ๊ก ไม่ต้องเรียกชื่อมันก็ได้ว่ายุ่ยิ่มันเรียกว่าอะไรคิดนึกตื่ต้อมเงแต่งดิ้ดนรนพนาพยามไม่ต้องไม่ต้องเรียกชื่อมันเห็นแต่มันไหวๆไหวๆไห ว, ไ ว, ไ ว, ไวเราอย่าติดไปกับมันอย่าลงไปกับมันแล้วก็อย่าพยายามไปดับมันเห็นมันอย่าลงไปกับมันอย่าดับมันแค่นี้แน่ท่านทํำอย่างแค่เนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องซ้ห้องส้วมนั่งส่วมเดี๋ยวจะเห็นมันอย่างเงี้ยทำเห็นได้อย่างเนี้ยเห็นได้อย่างเงี้ยแล้วท่านก็มาใหทิ้งแล้วท่านจะเข้าใจครับแล้วมาบ่อยจริงว่าผลในการรเเเเห็็นนนนนช่ี้ยยมัปงงไคับ าาการมาตรการครับหลวงตาเอาข อ, อกาสครับคือคิดว่าเข้าใจหลวงตาที่หลวงตาเทศทั้งหมดเลยครับครับแล้วครนี้อืมแต่ไม่ทราบว่าความเข้าใจเนี้ยจะถูกจะโดนหลอกหรือเปล่าว่าว่าผมเนี้ยคิดว่าตัวเองรู้แล้วก็แล้วก็มันจะมาทําให้ให้ผมเนี้ยผิดพลาดไปอย่างเนี้ยครับหลวงตาครับครับเรื่องอะไร ก็เลยขอโการหลวงตาไม่ตาเช็คให้ด้วยครับแต่แต่ก็ยังเอาตัวเราไปสบายนะครับหลว ต, ตอนนี้ควาสบายเบาสบายชูว่ากายเบาใจเบาแต่เอาตัวเราไปเสพความสบา ย, าา ไ, บายไม่ได้ปล่อยวางตัวเราครับหลวงตาแต่คือคือที่ตั้งธงเอาไว้เลยตามคําสอนของหลวงตาครับว่าจิตเนี่ย มันเป็นธาตุรู้มันมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเนี่ยครับเราแค่รู้เฉยเฉยมันเนี่ยครับแต่ครานี้แต่ผลเนี่ย ผ, ผมยังไม่ขาดก็เลยยังก็เลยยังไม่เป็นตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยความสงสัยเนี่ยไม่มีเลยอย่างเงี้ยความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหครับหลวงตาแต่มันควสงสัยไม่มีแต่ท่านเสพความสบายอยู่ครับตอนนี้ท่านกายเบาใจเบาครับกายเบาใจเบาเหมือนซ่านซ่านที่ปิติไม่ผลลุกด้วย สลับศาร์ไประยะๆสะะลับกัน ค, คแต่ต้องเสพมันเลยเอะตัวเราไปเสพมันความจริงต้องปล่อยวางตัวเราแล้วตัวเราไปเสพมันไปตระเวนไปเสพจริงไมอันเนี่ยจริงครับเออจริงก็ต้องต้องวางตัวเราแต่เหมือนเราก็รู้ตัวเอาไว้อย่างเดียวเลยอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงตาเราเราก็แค่รู้อย่าไปเสพมันเด้ เราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าไอ้เราจะไปสนใจอ่ะมันมันมันเบามันปิติมันมันซูซาดูซาดูซส่านกายเบาใจเบาสว่างสบายไงก็ตามเราก็อย่าไปดับมันนะเราไม่ไม่เสพมันก็อย่าไปดับมันเราต้องไม่ไปเสพมันแล้วไม่ดับมันแต่เราก็มารู้ไอ้ตัวเราพูดว่าใครว่าใครลรู้ว่าเราเีื้อการอย่างเงี้ยบูบูว่าดูสากายเบาใจเบาใครรู้นอกพระจ่างตาแล้วคนอื่นรู้ไหมคนอื่นรู้ไหมว่า ภายในเราเป็นยังไงรู้ไหมไม่ทราบครับไม่รู้ใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนรู้ว่าเรานอกจากต้องตายแล้วใครเป็นคนรู้ว่าเรามีอาการกายเบาใจเบารู้สึกว่าอเราเข้าใจเราเข้าใจดีใครเป็นคนรู้ก็ตัวรู้ครับเออก็คือตัวเราใช่ไหมตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยให้รู้ตรงตัวรู้เนี่ยปล่อยวางตัวเราผู้รู้ไปใช่ไหมไปตัวเราผู้รู้เนี่ยแทนที่เราจะเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความเบาความตบารู้สึว่าสว่างสวัยกายเบาใจเบาเราเข้าใจเราเข้าใจ ต้องมาเข้าหาให้ผู้รู้ใครผู้รู้เราเข้าใจเราสว่างสวัยเราว่าเราการเบาจะเ่าก็คือเราอ่ะเป็นคนรู้ให้เรารู้มันเรามาดูตรงไอ้ตัวเราลอะครับไอ้ตรงตัวเรารู้แล้วเราก็ปล่อยวางตัวเราการของพระคุณครับของตลางแล้วถ้ากระผมจะปฏิบัติต่อไปยังไงครับในอความเข้าใจของผมเนี่ยครับก็คือต้องดูรู้ตัวมีสติรู้ตัวตลอดอย่างนี้ไปใช่ไหมครับสงกาคือ อย่าไปสนใจอาการที่ถูกรู้เวลารู้อะไรให้ให้ย้อนเข้าหาผู้รู้เยอะยข้าหาผู้รู้ก็คือตัวเราในแน่แล้วก็ปล่อยวางตัวเราเวลารู้อะไรทั้งหมดเนี่ยรู้อาการรู้ลูกรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้อาการทุกขณาปัจจุบันอย่าไปส่งจิตไปไปข้างนอกครับไปหาลูบรูกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์แต่รู้ที่ตัวเราผู้รู้แล้วก็ไปวางตัวเราให้รู้ที่ตัวเราครเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับอาจารย์เออทุกขณะปัจจุบันน่ะให้ให้รู้ที่ตัวเราให้รู้ที่ตัวเรา ตอนี้คนเมื่อยานในโลกเนี่ยขเขาจะเวลาเขารู้อะไรเนี่ยขเขาจะไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกรู้แต่เขาไม่มาสนใจตัวเราผู้รู้ตัวของตัวเองอะผู้รู้เขาไม่เขาไม่มาดูเขาไม่ไม่มาดูไม่มาปล่อยวางตัวผู้รู้แต่ไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกรู้ครับผมก็เลยบรรทุกไม่ได้เวลาเราเห็นรูปในชีวิตประจําวันน่ะเราก็จะไปกับรูปหมดได้ยินเสียง ก, ก, ก, ก็ไปกับเสียงได้กินก็ไปกับกินลุ้มรถก็ไปกับรถ สัมผัสอะไรแล้วก็ไปกับสิ่งที่สัมผัสมีอาการสบายใจ ว, ว, ว, วูบูบวับสบายใจมีความคิดอะไรก็ไปกับความคิดมีอาการมีความรู้สึกโป่งโล่งเบาสบายแล้วก็ไปกับควาโล่งเบาสบายหมดแต่เราไม่ย้อนข้อหาผู้รู้่ใครเราเป็นคนรู้ลูกใครรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสใครรู้ว่ามีเวทนามีสุขเวทนามีอาการอย่างงู้นมีอาการนี้ใครเป็นครู้ล่ะย้อนข้อหาผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางผู้รู้พบผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ ที่หลวู่ดูละโรว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้หรือพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ท่านในเดือนจะใช้คําว่าปล่อยวางพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ตามมหาบัวหลวูล่าคิดว่าประโตกนั่นแต่ปล่อยวางผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ครับเราต้องเข้าหาผู้รู้แล้วพบผู้รู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนเป็นผู้รู้ทั้งหมดไม่มีใครหลักเป็นคนรู้กับเราเป็นคนรู้ทั้งหมดแล้วก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ไปซะโดยไม่ยึดถือเอาผู้รู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราปล่อยวาง ได้แม่ไม้มีวิธีการปฏิบัติครับปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้เลยครับการขอบพรคุณครับไม่ได้ก็มาว่ากันทีครับครับกลับมัสการหลวงตาครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มากราบหลวงตาครับก็ก็รู้สึกเอหลายอย่างครับรู้สึกเป็นเคยทั้งยังเป็นอยู่และเคยเป็นเหมือนกับที่หลายๆคนได้เรียนสภาวะหลวงตาครับแต่ว่าพอช่วงหนังแบบหน้าที่การงานบางทีทุกเยอะๆแล้วก็จิตก็ ส่งออกนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่ทําได้ปัจจุบันก็เหมือนกับแค่รักษาเหมือนกับการภาวนาการสวดมนต์ไปเรื่อยๆแต่บางทีก็รู้สึกกับตัวเองว่าทําไมเราพอเหมือนกับที่ที่ตอนแรกพี่ๆเขาอธิบายเหมือนว่าเราไปนั่งจับทุกอย่างตอนที่เราตั้งใจปฏิบัติเรารู้สึกว่าทําไมเราเครียดจังทําไมรู้สึกว่าเรายิ่งไปจับมันเรายิ่งแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรมาต่อแล้วมันไม่จบไม่สิ้นเราจะเครียดมากอย่างเวลาเดินจงกรมอะไรเงี้ยครับ ก็เลยช่วงหลังก็คือแบบว่าไม่ไม่สนใจแม้ไรแต่ว่าก็อย่างหรือว่าถ้านั่งสมาธิเฉยปัจจุบันอย่างเงี้ยครับก็มันก็รู้สึกว่ามันจะเพ่งเป็นอัตโนมัติเหมือนกับว่ามันมีนิสัยของการเพ่งอยู่ครับหลวงตาคือแบบนั่งไปมันก็จะอะละมันจะแน่นละแล้วก็ไปดูว่ามันจะแน่นเมื่อไหร่มันจะมันจะหายไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมันค้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ จริงๆก็เริ่มปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่ายังไม่ได้แบบทำอยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับหลวงตาก็ก็เลยไม่แน่ใจใจนึงก็คิดว่ามันเหมือนจะกึ่งท้อกึ่งไม่ท้อก็เหมือนว่าเออเราเกิดมาชาตินี้ได้เจอครูบาอาจารย์เราก็จะพยายามตั้งใจทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบพ้นจากสภาวะบางอย่างซึ่งเราก็คิดว่าเราต้องติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็มีตัวเราอยู่ว่าเรา ติดอะไรหรือเปล่าคือเหมือนว่าคือปกติผมเป็นคนที่จิตนะครับบางทีมันจะมีเหมือนแบบปา่า마สครูบาอาจารย์ที่มันเป็นโดยอัตโนมัติครับหลวงตาครับก็ไม่รู้ว่าแบบเศษกรรมอะไรเหล่านั้นหรือเปล่าที่ทําให้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบคืออย่างวันนี้แม่กล่องตาก็ตอนอ่านหนังสือตอนนี้ไม่เจอหลวงตาก็อ่านหนังสือก็รู้สึกว่าเออใช่เราเป็นแบบที่อย่างหลวงตาพูดเลยแต่ว่าเราก็ไม่เคยเข้าใจเพราะเราไม่เคยปล่อยตัวเราได้เงี้ยครับครับก็น<า>นคือว่าอาจจะไม่มีคนชี้แนะมากกว่า ครับถ้าปฏิบัติไปแล้วมีคนชี้แนะความจริงที่ท่านพูดเนี่ยนี่ผมปฏิบัติไปมันคอยจะไปมีตัวไปจับอะไรพอมีอะไรเกิดขึ้นมันมีมีตัวคอยไปจับแล้วมันเกิดไม่เกิดปัญหาครับต่อผมเองตอนหลังผมก็เลยเลิกเลิกไปทําอย่างนั้นแล้วผมไปทําอย่างอื่นไปไม่สนใจครับอันเนี้ผิดอืความจริงเนี่ยถ้ามีคนชี้อ่สามารถที่จะเห็นธรรมได้ในในขนาดนั้นคือ แทนที่เราจะไ ป, ไปโทษปป บ, บาปปฏิบัติมันคอยมีผู้ไปจับแล้มีมีตัวเราเข้าไปคอยเพ่งแล้วก่อให้เกิดปัญหาแก่ตัวเราเราเลยเลิกมันไปเลยมันจะได้เลิกเพ่งเลิกไปมีตัวไปจับทํำให้ตัวเราไม่เกิดปัญหาเลิกไปสนใจในการปฏิบัติไปหรือไปทําอย่างอื่นไปเลยทําสบายใจไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้ามีคนชี้แนะมันจะไปได้เร็วเลยถ้าไม่มีคนมีคนชี้แนะถ้าก็ผิดเลยเนี่ยทิ้งอันนี้ไปเลยทิ้งทิ้งที่ที่ทมีค่าไป คือความจริงเนี่ยท่านเห็นตัวที่ตัวตัวเราเนี่ยเข้าไปจับตัวเราเข้าไปจับเนี่ยท่านเห็นตัวนี้แล้วก็ปล่อยวางตัวนี้มันก็จะปล่อยวางตัวตนได้เห็นตัวเราที่เข้าไปเพ่งตัวเราก็ไปเพ่งแล้วก็เห็นตัวเราก็ไปเพ่งแล้วก็รู้เห็นอย่เนี้ยเห็นตัวเราชัดเออมันก็แล้วก็บอกเองว่ามันจะมีคอยปฏิบัติยังไงคอยมีตัวเราไปเพ่งปฏิบัติยังไงมีตัวเราไปเพ่งแล้วก็เห็นมันแล้วก็รู้เอาทานมันแล้วก็วางไปว่าไอ้นี่มันคือตัวตนตัวตนตัวตนอัตตาตัวตนมันปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตนเป็น้วก็ S <S เหตุปุกกวาวมันไปมันก็จะปล่อยวางตัวตนได้แต่เราอืมมันปฏิบัติแล้วมันก็จะเขาไปจับปฏิบัติแล้วมันก็จะเขาไปเพ่งเขาไปเพ่งมันทําให้เราแน่นจุกอาจทําให้เรามึนหนงงงงทำให้เราเป็นงุนเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยเมายย้าดีว่อะไรเงี้ยเลิกไปแล้วก็เดี๋ยวอยากปฏิบัติใหม่อีกทำอีกเดี๋ยวอยากปฏิบัติใหม่อีกมั น, นก็จะวนๆอย่างงี้ยแนะบมันไม่มีคนชี้ไม่มีคนชี้แ น, ะน่นังแสดงว่าการที่ทําอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะต้องผ่านสภาวะที่มันเป็นความที่รู้สึกว่าไม่ได้สบาย ในการที่เหมือนกับว่าจะสภาวะบางอย่างเหมือนถ้าคนเห็นเห็นด้วยความแบบเป็นปกติเขาก็คือแค่มองเห็นแล้วก็เข้าใจระ ว, วงังแต่ว่าอย่างที่ผมผ่านมาที่เคยแบบตั้งใจปฏิบัติจริงๆครับมันก็จะรู้สึกว่าเราอย่างเป็นสิ่งที่หลวงตาพูดครับคือเราเห็นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็เลยด้วยความที่ไม่รู้ก็จะคิดว่านั่นอาจจะไม่ใช่ทางที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเคยได้ยินหรือว่าอ่านมาก็คือคนปฏิบัติจริงๆแล้วครับก็คือดูด้วยความแบบธรรมชาติดูด้วยความสบายแต่โตด้วยการที่ตัวผมเป็นแบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าสงสัยเราแบบผิดก็เลยคิดว่าเออไม่เอาก็เหมือนแบบเฉยๆอะไรอย่างนี้ไปครับ <นะ S 1> เสียวเวลาไปโดยปล่ประโยชน์เลยความจริงอะ่ะถ้าท่านเห็นว่านเนี่ยเราไปคงทาอะไรผิดเราเลย แน่นเลยจุกเลยทุกเลยเครียดเลยเลิกดีกว่าแต่ก็อยากเลิกไม่จริงก็เลิกมาปฏิบัติดีเดี๋ยวก็ยิงยิงยิก็เป็นเองเราก็แน่นแล้วก็จุกอัดเราก็เครียดยิ่งปฏิบัติจริ่งเครียดไม่ปฏิบัติสบายกว่าคือใจมันเนี่ยมันเคยปฏิบัติมาแล้วมันก็เลิกไม่ได้เรามันปฏิบัติประพามพบความฌานมเลิกไม่ได้หนอแต่เราเนี่ยไม่มีคนชี้ว่าอะไรมันเป็นสมุทัยอ่ะ อะไรมันเป็นสมุทไทยที่ทาให้เราทุกข์เราเกลียดเราตึงปวดหัวแน่นจุกหน้าอกเราแน่นขมับมันอะไรลราเป็นเหตุนะอะไรเป็นสมุทไทยนะไอ้สมุทไทยก็คือมีตัวเราเป็นตัวศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็ตัวเราคอยไปจับคอยเข้าไปดูคอยเข้าไปเพ่งคอยเข้าไปละเขาเข้าไปปล่อยคือเอาตัวเราเนี่ยต้องตัวเนี่ยโผล่ก็ไปเลยคือตัวขันหน้าเนี่ยเขาไปละไปปล่อยไปดูไปรู้ไปเห็นก็ไปวางเข้าไปเพ่งเขาไปจับเขาไปปล่อยเขาไปจับไปปล่อยมัน เราไปเห็นในตัวเรานี่ยไอ้ตัวเราการิยาการที่ตัวเราเขาไปแสดงอาการตัวเราเขาไปแสดงอาการเราก็เห็นมัน่ะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นสังขารเป็นความเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราหรอกมันก็เกิดเกิดดำดับเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วก็หายไปเกิดเกิดดำดับแล้วก็อ๋อนี่เหตุเป็นเช่นนี้ยพอเรารู้ท้นทันเหตุอะไอเหตุที่ตัวเราเนี่ย เป็นศูนย์กลางอะ่ะมันก็หายไปสมุทัยมันก็หายไปทุกตึงหัวปวดขมับแน่นจุกหน้าอกอะไรมันก็หายไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยปฏิบัติโดยเอาตัวเราปเป็นศูนย์กลางแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปปฏิบัติพ่าเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วตัวเราไปปฏิบัติเราก็หากรรมวิธีปฏิบัติให้แก่ตัวเราทุกวิถีทางความจริงมันคือต้องปล่อยวางตัวเรานี่คือการปฏิบัติปล่อยวางเอาวิชาอัตตาตัวตนเนี่ยนี่ยคือการปฏิบัติ แล้วก็สังเกตดูถ้าก็บอกหมดเต้มอกเนี่ยมันมีตัวเราไปจับมีตัวเราไปเพ่งเมี่ยมีเราไปคอยดูมีเขารคอยเราเขามีตัวเราคอยเข้าไปมีตัวเราคอยเข้าไปท่านก็เห็นตรงนี้ไอ้ความมีตัวเราก็ไปตัวเราก็ไปท่านก็เห็นมันว่ามันเป็นสังขารเป็นอวิชชาท่านตัดสนว่ามันเป็นอวิชชาไอ้ตัวมีความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราเป็นอวิชชาเป็นโมหะคือความหลงไม่รู้เต่าทันมันเป็นสมูทายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เห็นมันอย่างเงี้ยแล้วต่ก็วางมันไปเพราะว่าอราก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข นี่เป็นความหลงบนอวิชชาเราจะไว้ให้มันทําไมเราเห็นมันตีแสดงกริยาการแต่ละครั้งเราก็รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางไปรู้ทันมันก็ปล่อยวางไปรู้ทันมันก็ปล่อยวางไปมันก็ค่อยดับกว่าเปรตตัวตนดับอวิชชาดับความปรุงแต่งที่เป็นความหลงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยมันเนื่องจะไม่มีคนชี้มันไม่มีคนชี้เพราะมีคนชี้มันก็เมื่อหลายคนไม่มีคนชี้แบบนี้แล้วมันก็ไปไม่ถูกงง เราก็ไปเริ hypothes, ่มต้นใหม่ไปอย่างงู้นอย่างงี้เลิกดีกว่าเลิกพอปฏิบัติอะไรปวดหัวแน่นจุกอืดอัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นเหตุแล้วก็ไปเลิกดีกว่าแล้วก็แต่ใจมันเลิกไม่จริงแล้วก็กลับมาสวดมนต์ไหพะกลับมาเริ่ปฏิบัติอันนี้เลิกไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันก็เลิกไม่จริงแล้วก็ไม่ทำลายเหตุมันก็ไม่แก้ที่เหตุสมุทัยแล้วก็เลิกไม่จริงมันก็วนคนเวียนอยู่ในความทุกข์นี่แน่คนปฏิบัติทั้งหลายเราก็เห็นอย่างนี้แน่แล้วไม่มีคนชี้หรือว่ามีคนชี้ไม่เข้าใจ มันก็ชีม denim denim denim men, ช้มั่วมาเนี่ยครับชีม nee Where, ้มั่วไอ้คนที่มันเอาตัวเราไปดันจนแย่หมดแล้วเนี่ยเอาตัวเราไปดันจนแย่เอาตัวเราไปจับเอาตัวเราไปยึดเอาตัวเราไปเพงจนแย่แล้วเนี่ยไปเจอคนไม่รู้จีงกับเพ่งกันไหมเป่งกันไหมก็มันทําผิดมันจนตั้งแต่แรกแล้วเออมันจะผิดหนักเข้าไปอีกอ่ะเวลาเราไปไปหาคนไม่รู้จีงกันจริงหนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ย จากให้สังสีจิตเป็นสีคำคาเลยเป็นสีเทาๆออกเทาๆทีดนีด่ดเลยตอนเนี้ยเยี่ยมหมดเลย <c oughs> มันก็ปิดหนลักเข้าไปหนักลงไปมันก็อยู่ที่ว่าเออมันมีคนชี้ ม, มีคนชี้แต่เราแก่แค่นั้นไม่มีอะไรหรอกครับอาจารย์เ ร, ราตีเรื่องเล็กครับขอถามนิด น, นึงครับตรงนี้การที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าคือที่พระอาจารย์ผพูดว่าการวางตัวเราเนี่ยมันคืออุเบกขาหรือไม่หรือคนละ อ, อย่างกันครับ คือผมทุกวันนี้ครับพอพอรู้สึกว่าผมปฏิบัติคือผมปฏิบัติทุกวันแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเข้มข้นแต่พอรู้สึกว่าชีวิตทางโลกมันทุกข์คือจิตเรายังส่งออกนอกกับภาษาที่เข้ามาและช่วงอย่างมันเป็นเยอะก็เรารู้สึกว่าแบบกระช่วงหลังก็จะมีเหตุได้ฟังทำหรืออะไรก็จะแบบมีเหตุเออเราเจอครูบาอาจารย์เราฟังธรรมเนี่ยก็จะมีท่านพูดเรื่องอุเบกขาอเบกขาอเวขาแต่ผมอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับหลว ง, งตาครับว่าแบบเหมือนกับว่า อุเบกขาในที่เนี้ยครับคือจริงๆแล้วใจมันวางแบบไหนหรือมันเป็นสภาพแบบไหนจะทํำยังไงให้เราเหมือนกับว่าทั้งปฏิบัติทําได้ด้วยแล้วก็อยู่ในชีวิตประจํำวันประจําวันได้อย่างที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์น้อยลงมันแบบส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเนี้ยครับอืจะไปหาอุเบกขาลเลยจ๋ยยึด ต, ตายปล่อยวางอย่างเดียวครแล้วเราไปหาอุเบกขาจะ ย, ยึดแล้วจิตนิ่งจิตเฉยเลยตอเนี้ยอืม อย่าไปหาอุเบกขาอุเบกขาคือปัญญาการสูงสุดที่สิ้นผู้ยิ้ถือแล้วสิ้นความเป็นตัวตนนั่นแน่มันคือมันก็เลยเรับรับรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางคือไม่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางสิ้นความรู้สึกเป็นตัวเราทุกอย่างเกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครเข้ยึดมั่นถือมั่นแน่ๆคืออุเบกขาคือปัญญาสูงสุดเ อ, อ้าเราไปเอาอุเบกขาไปแปลว่ารับตูวเจ๊เฉย รับรู le ้ได con ้ใจเป็นกางมันจะปรุงแต่งําใจเป็นกลางําใจเฉยๆจะไปหาอย่างนั้นอืรับรู้ในความเป็นตัเบคขามันคือมันสิ้นความเป็นตัวตนแล้วมันเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็รับรู้ได้ความไม่มีตัวเราก็ว่ายึดเรียกว่าอเบคขาบแสดงว่ามันเป็นสภาวะที่เป็นผลเออเป็นอาหัยแล้วครับง่ายพเราไมรู้อย่ความเป็นตัเบกขามพฤติการคืออาหัยงารก็ง่ายคือสภาวะนั้นเราก็คือแค่สร้างเหตุอืมเราจะอะไรไม่รู้อาหัยจะไปสร้างเหตุ อย่างนั้นเดี๋ยวไปตั้งที่ผลเลยครั บ, รบสร้างคือต้องสิ้นความตัวตนครับแล้วก็มันจะเป็นอุเบกขาเอคือไม่มีตัวเราไปยึดอะไรมันก็เลยเป็นอุเบกขาเราพูดดีกว่าเป็นกลางครับแต่ถ้ามียังมีตัวเราอยู่ไม่เป็นกลางเลยแล้วครับคบขอบพระคุณมากครับเราไปถามหลวงปู่เหลียนเวลาโพ่พอแม่ครูอาจารย์ที่ก็ลบนับถือท่านบอกเห็นว่าท่านเป็นบรรลุอรหันต์แล้วก็เลยถามกันหลวงปู่มีอะไรเป็นวิหารธรรม รับรู้ทุกอย่างได้ความเป็นอุเบกขามีอุเบกขาเป็นวิญาณลรรมแต่คนฟังไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจอะทาไปทำจิตให้มันนิ่งให้ว่างเฉยเลยกำลังจะทำอย่างนั้นอยู่ครับอุเบกขามคือปัญญาครับสูงสุดครับพอเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอื่นฟังท่านรีบ เห็นดีมีพาพติดตามแล้วมีคารวะเยอะเนี่ยนว่าไปคุยกับหลวงปู่เลียนหลวงปู่เลียนพูดอย่างนี้ท่านกลัวว่าเดี๋ยวจะพากันหลงเดี๋ยวจะคนอื่นไม่เข้าใจคนที่เข้าใจก็แล้วเข้าใจไปแต่วัาไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวจะพาหลงท่านเลยรียบพูดว่าอุเบกขาของหลวงปู่เลียนนี่คือปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญาสูงสุดคือตินตัวตนแล้วตินผูญญ้ยิดบ้านถึงบ้านแล้วจริงรับฐูนทุกอย่างที่วอกเป็อนอุเบกขา